ผมได้อบอุ่นใจมาตลอดคืนเช้าขึ้นผมไม่ต้องขึ้นตึกบนก็เลยนอนสายหน่อยอาบน้ําอาบท่าสบายแล้วกลับเข้าห้องเก็บของคอยเวลาอาหารป้าแม่ครัวเมื่อวานลุงไปไหนนะป้าเห็นหายไปผมถามไปบวชนาคญาติกันกลับแล้วปลูกต้นไม้ขลุกขลุยอยู่ทางโน้นแล้วแกว่าแล้ววางอาหารลงบนโต๊ะวันนี้คุณหลวงไม่อยู่นอนตื่นสายเชียวนะจ้าคุณหลวงไม่อยู่ ก็เลยถือโอกาสซะหน่อยผมตอบพอแกไปแล้วเราก็กินอาหารกันเช้านี้มีแกงมัสมัน่นผมก็เลยเอาขนมปังแห้งจิ้มแกงสบายไปผมมีขนมปังแห้งอยู่อีกตั้งกระป๋องวันนี้จะออกไปซื้อขนมปังสดไว้อีกเนื้อกระป๋องปลากระป๋องก็ยังอยู่เราชักสนิทกันมากช่วระยะสองคืนเรานอนคุยกันในห้องเก็บของคืนนี้สามทุ่มเขาต้องมานแน่แฉันสังหอนใจเถอว่าคุณเชื่อใจเหรอเชื่อค่ะ ยังงั้นพอหัวค่ําก็ต้องแต่งตัวชุดเก่าสิเธอหัวเราะแล้วก็หันดูเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งดีแล้วขาดเวอร์ว่านุ่งแทบไม่มิดชุดนี้ถ้านุ่งแล้วก็ต้องรีบลงใต้ถุนขืนอยู่บนเนี้ยฉันอายคุณแย่เลยเธอพูดผมจะหลับตาซะผมพูดให้เป็นเรื่องขบขันเธอก็หัวเราะผมก็หัวเราะอย่างนึกทุเรศในความเป็นอยู่ของเธอเมื่อก่อนจะพบผมเป็นความจริงอย่างรําเพยคาดไว้ในราวสามทุ่ม ก็มีเสียงเรียกจากชายคนนั้นผมรีบให้เธอแต่งชุดเก่าผมชักเกิดใจห่วงเธอในการจะไปหาเขาผู้นั้นทั้งห่วงและเกิดห่วงขึ้นมาอย่างประหลาดใจในใจผมนั้นคล้ายๆว่าเธอเป็นสิทธิ์ของผมครั้นจะไม่ให้ไปก็เกรงว่าจะเกิดเรื่องใหญ่จึงยอมให้ไปแต่ผมตามไปด้วยในห้องใต้ดินเห็นช่องบันไดเปิดอยู่ผมก็เลยแอบคอยเธออยู่ข้างล่างและฟังความดู ถ้ารุนแรงถึงขั้นทุบตีกันขึ้นผมจะต้องขึ้นไปต่อยซะด้วยสนับมือให้ฟุบลงเ อ, เอาเอาข้าวมาให้ชายแก่คนนั้นพูดนึกว่าตายซะละห่วงว่าจะแย่ก็เลยเอาเข้าวมาให้ฝ่ายรำเพยไม่พูดว่าอะไรผมรอคอยฟังต่อไปว่าเขาจะมาไม้ไหนจะพูดได้หรือยังละ่ะว่าจะยอมตามใจฉันหรือไม่ยอมตามใจฉันเขาถามง่ายๆจวนจะตอบละขอฉันตรองอีกสองสามวัน ลำเพยตอบแบบขอไปทีงั้นเหรออ้าวฉันตกลงแต่ถ้ามาคราวหลังครบกำหนดนัด้าไม่พูดอะไรให้เป็นที่แน่นอนนะฉันเล่นงานเดีย๋ยวว่าใจร้ายนะฉันเป็นคนไม่ชอบพูดกันมากพูดกันไม่จบก็เลิกพูดกันเลยแกตาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันปิดฉากสทัทีเอาเอาข้าวไปเขาพูดแบบเฉียบขาดแล้วเสียงําเพยเดินไปเอาข้าวและน้าในชั่วสองอึดใจลาเพยก็ลงมาที่บันได ประตูช่องบันไดก็ถูกปิดและมีเสียงลั่นกุญแจเราคอยจนเสียงประตูข้างบนปิดเราก็เดินกลับผมบอกให้เธอวางชามข้าวและถังน้ําของมันไว้ที่นั่นอย่าเอาของมันมากินให้สวยปากครั้นแล้วเราก็กลับมาข้างบนจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็นอนคุยกันบนเตียงความห่วงของผมกลายเป็นหวงไปซะแล้วนึกอยู่ในใจว่าไอ้แก่คนนี้กับผมจะต้องเป็นศัตรูกันถ้ามันมาทุบตีําเภยผมจะต้องฆ่ามั น, นแน่ นี่ลำเพยผมเกิดหวงคุณซะแล้วผมนอนพูดออกมาแบบเฉยๆเธอพลิกตัวมาชิดหน้าแทบจะติดกันจริงเหรอคะเธอถามอย่างไม่แน่ใจผมพยักหน้าแทนคำตอบแต่ํำเพยหมดราคาแล้วเป็นคนเศษคนคุณหวงํำเพยไปจะมีค่าอะไรละ่ะเธอพูดเบาๆและจ้องมองดูตาผมจริงํำเพยแรกๆเนี่ยผมสงสารคุณนะและแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมหวงเธอ เธอจะเป็นของใครไม่ได้ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ผมพูดตรงไปแบบไม่ต้องอ้อมค้อมรำเพยก็เป็นของคุณเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณเธอพูดแล้วก็คว่าหน้าลงกดกับที่นอนไม่ใช่พูดอย่างมีสิทธิ์ด้วยอำนาจใดๆนะผมต้องการความจริงที่เกิดจากใจจริงด้วยปากของคุณไม่ใช่ยอมจำนนเพราะจำใจในฐานะผมช่วยคุณรำเพยก็มีใจเป็นของคุณโดยจริงใจคะ่ะ เธอตอบแล้วก็พลิกหน้าขึ้นดูไม่รู้ว่าอะไรครับท่านทั้งหลายอะไรบังคับใจผมหรือเกิดจากผมไม่เคยใกล้ผู้หญิงก็ไม่แน่ใจผมได้กอดเธอและกระหน่ำจูบเธอแต่แล้วเธอก็ได้กอดผมและจูบตอบผมผมเกิดหัวใจพองโตทั้งกอดจูบอย่างลนลานใจต่อจากนี้ไปผมไม่กล้าจะพูดอะไรอีกได้ในคืนนั้นเองราเพยคือภรรยาผมและผมก็คือสามีของราเพยเราแอบมีความสุขกันอย่างเร้นลับ ไม่มีผู้ใดรู้เห็นพอดีคุณหลวงไม่อยู่ผมจึงหาเวลาสุขกันได้เต็มที่แต่พอมาอีกสองวันความทุกข์ก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันคืนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มพอมีเสียงตะแก่บ้ากามเรียกรำเภยผมรีบแเรํำเภยแต่งตัวชุดเก่าไปรับหน้าแต่ผมไม่ลืมตามไปด้วยอย่างแน่นอนซ้ำถือไม้ท่อนหนักๆติดมือไปด้วยเมื่อำําเ r ยขึ้นไปพบแต่นั่นเข้าข้างบนผมก็ซุ่มอยู่ข้างล่างคอยฟังเหตุ รำเพยคงให้คำผัดเพี้ยนไปอีกตามเคยโดยไม่มีคำว่าจะยอมตามตาคนนั้นจึงเป็นเหตุให้ตาคนนั้นโกรธแค้นถึงที่สุดมึงจะหลอกคนอย่างกูด้วยอีเพยชายคนนั้นพูดแทบจะเป็นตะโกนตายซะเถอะอีเปรตมึงทรมานใจกูมานานและพ่อขาดคำเสียงแท้หนังดังเคี่ยวผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วคราวนี้รำเพยคือเมียของผมผมจะปล่อยให้เมียผมเจ็บตัวหรือตายไปหรือ เสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งหนีเสียงฝีเท้าหนักๆที่ใส่รองเท้าก้าวไล่ผมก็เพ่นออกจากห้องใต้ดินขึ้นประจันหน้าอีตานั่นตกใจชะงักหยุดมามองผมซึ่งมันไม่รู้จักอ๋อมึงมีชู้เหรออีเพยมันตะคอกแล้วยกแส้จะหวดผมผมสาวเท้าเข้าตีเอาแขนตกไปแล้วก็ตีซ้ำจนล้มลงพลางกระโดดข้ามไปปิดประตูที่เข้ามาใส่กรอนซะในระหว่างนั้นตาแกลุกขึ้นได้ ตีผมด้วยแส้เสียวปลับผมเลยลืมโทษลืมทุกสิ่งกระโดดเข้าตีจนล้มลงแล้วก็ตีซ้ำตีทราบนับไม่ถ้วนจนกระโหลกแตกหน้าเละเลือดพุ่งกระสุดท่วมห้องนอนแผ่ไม่ไหวติงมันตายแล้วผมพูดอย่างตกใจหนีเร็วผมเข้าฉุดแขนรมเพยหนีกลับด้วยกันปิดประตูช่องบันไดไว้อย่างเก่า พอวิ่งมาถึงทางกัน้นผมยกเอาไม้ขึ้นปิดไว้อย่างเก่าเอาเท้าถีบกรอบไม้ที่กั้นนั้นให้ปิดแน่นดังเดิมมิให้ใครสงสัยได้แม้แต่จะลงมาดูใต้ดินพอเราทั้งสองกลับขึ้นมาบนห้องเก็บของแล้วผมปิดช่องขึ้นลงซะจนเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนลังใบใหญ่ทับไว้ดังเดิมผมนั่งลงหอบด้วยความตกใจรําเพยตัวสั่นรัวผมรีบกอดเธอไว้ให้หายประวัติพรั่นพึงตัวผมเองก็งงงันไปหมดเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังนั้น เราทั้งสองพูดอะไรกันไม่ออกผมคิดอยู่แต่ว่าผมคือผู้ร้ายฆ่าคนตายแต่แล้วกลับคิดว่าถ้ามันไม่ตายมันเปิดประตูไปได้ผมต้องเป็นนักโทษฐานทำร้ายร่างกายมันต้องเอาตำรวจมาจับผมเมื่อพบช่องใต้ดินแล้วก็จะเดินมาสู่ทางขึ้นที่ห้องเราผมจะทำอย่างไรล่ะคุณหลวงก็ไม่อยู่ถ้าผมจะพากันหนีไปเวลานี้ก็หนีได้แต่ก็พิรุตจะหนีไปได้สักกี่เดือนถ้าผมอยู่สู้หน้าคงจะดีกว่ามันตายอยู่ทางโน้น ใครจะมาเอาอะไรกับผมทำไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะอยู่กันคนละบ้านแต่เอ๊ะแล้วรําเพยล่ะจะซ่อนอยู่แบบนี้เหรอถ้าผมเกิดจะบอกความจริงกับคุณหลวงและคุณนายล่ะการฆ่ากันตายก็คือผมนะสิผมหายใจสะท้อนและร้อนเผาผมกระซิบถามรําเพยว่าเธอมีญาติที่ไหนและรู้จักใครบ้างจะหนีไปก่อนดีไหมผมจะอยู่สู้หน้าเองแต่เธอก็ตอบว่าไม่มีคนรู้จักจึงหนีไปไม่ได้ ถ้ามีคนรู้จักก็หนีไปนานแล้วโดยทำดีกับอิตานั่นพอเผลอก็หนีไปแต่จนใจไม่รู้จะหนีไปไหนเธอตอบแบบนี้ผมก็หมดประตูจะพูดอะไรอีกก็เลยลงท้ายตัดสินใจว่าจะซ่อนอยู่ไปพลางๆก่อนต่อเหมาะช่องทางค่อยคิดหลบหลีกไปคราวหลังผมจะนัดให้ราเพยไปคอยที่ใดสักแห่งและผมจะลาคุณหลวงว่าญาติป่วยหนักขอไปเยี่ยมแล้วก็เลยเชิดไปให้ไกลแม้เรื่องจะแดงขึ้นก็คงไม่คิดกันว่าผมเป็นคนฆ่า เพราะเหตุว่าอยู่กับคนละบ้านทางใต้ดินจะว่าผมไปทางโน้นได้ก็ยากจะพูดเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่อยู่ใหม่ๆทางห้องเก็บของที่มีทางลงใต้ดินก็มีกุญแจใส่อยู่ที่ไหนจะมีลูกกุญแจไขได้ทั้งมีก็ไม่มีธุระใดจะเข้าไปคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับแต่ว่ารำเพยก็นอนหลับๆตื่นๆหน้าตาเศร้าส้อยกลัวความจะเกิดตื่นเช้าผมให้ราเพยซ่อนใต้เตียงนอนก่อนผมเอาผ้าคลุมเตียงดึงลงมาจนจดพื้น ป้าแม่ครัวเอาข้าวเข้ามาให้เห็นผมหน้าโรยก็เลยทักแต่ผมก็แก้ไปแบบรูปเก่าคือดูหนังสือดึกแล้วก็นอนไม่หลับพอเข้าไปแล้วราเพยก็ออกมาจากใต้เตียงเรากินข้าวกันอย่างติดคอคนละสองคำก็ทั้งยากผมจึงไปหาแม่ครัวขอกาแฟมาแก้วใหญ่ๆเพื่อที่จะดื่มกาแฟเข้าไปให้พอทุ่นแรงแล้วก็ใส่กุญแจไว้ขึ้นไปบนตึกฟังดูว่าคุณนายจะใช้อะไรบ้างเมื่อไม่มีอะไรผมก็กลับลงมา คอยฟังเสียงว่าตาคนนั้นจะตายแน่หรือไม่ถ้าแกฟื้นได้แกคงร้องครวญครางขึ้นบ้างผมรีบปีนขึ้นดูทางช่องลมก็เห็นตาหน้า น, น, นอนนิ่งเลือดยังแดงสาดอยู่ผมปีนขึ้นลงอยู่ทั้งวันแต่พอค่ำลงก็คงมองทางโน้นไม่เห็นผมลืมสนิทไปว่ามือไวแอบปิดไฟเมื่อจะลงกลับห้องใต้ดินก็นับว่าผมรอบคอบอยู่มากรุ่งขึ้นผมก็แอบดูอยู่อีกทั้งวันไม่เห็นร่างคนนั้นขยื่นเลยจนถึงเวลาค่ำถ้าจะตายแน่นอน ผมอยู่อย่างไม่มีความสุขในใจความคิดต่างๆผันแปรไปเป็นร้อยแทั้งวันทั้งคืนพอวันที่3มแอบดูอีกร่างนั้นก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ชักมีร่างกายอ่ดๆขึ้นแน่แล้วตายแน่นอนผมหากระดาษแข็งมาปิดปากช่องลมเซมิดชิดและแน่นหนากันกลิ่นที่จะมาทางห้องเราคุณหลวงไปราชการถึง7วันจึงได้กลับมาผมก็รับใช้อย่างเคยแต่ปิดความลับไว้ไม่ให้แพร่งพาย แต่ว่าในใจผมไม่ค่อยสบายหน้าตามันก็เลยบอกเหตุทั้งคุณหลวงและคุณนายก็เลยถามผมผมตอบแบบอึกอักเลอะเลือนใจมันไม่วายจะคิดถึงเรื่องท่าคนตายซ้ำยังห่วงมาผูกคออีกก็คือรําเพยผมต้องปิดหลายด้านใจมันก็เลยสับสนมีกังวลหมดความสุขหน้าตาคงหมองคล้ำมากแต่ผมคงไม่รู้ตัวผมถูกถามแทบทุกวันคล้ายๆกับจะรู้อะไรในห้องผมอย่างนั้นแหละ ผมชักสะดุ้งใจเพราะทีนึงคุณหลวงพยักหน้ากับคุณนายงึกๆและคุณนายก็พยักตอบมีสีหน้าตื่นตื่นกลัวหัวใจผมแทบระเบิดเพราะกลุ้มใจวันนึงคุณนายกับคุณหลวงได้คุยกันอยู่ผมทํางานไปก็ฟังไปเสียงคุณนายพูดว่าเราชนะความแล้วไปศาลเมื่อวานนี้ยตัดสินเด็ดขาดว่าตึกนี้เป็นของเราสิ้นเรื่องกันทีนะคุณหลวงพูดเราจะเปิดถึงกันแล้วแล้วก็เลี้ยงพระสักที ผมใจหายวูบเหมือนกับว่ามันจะวิ่งออกมาที่ปากความชนะแล้วจะเปิดตึกถึงกันจะเลี้ยงพระและในห้องนั้นถูกเปิดแล้วก็พบศพโอ้เรื่องอะไรจะไปอย่างนั้นคุณหลวงหันดูหน้าผมผมคงมีกิริยาอะไรสักอย่างที่ท่านผิดสังเกตผมสะดุ้งทั้งตัวพอคุณนายไปพ้นห้องนั้นแล้วคุณหลวงก็เรียกผมไปใกลๆ้ๆแล้วก็พูดเบาๆว่าฉันรู้นะว่าแกมีอะไรอยู่ในใจพูดแล้วก็จ้องดูตาผมเขม็ง บอกได้ว่าต้องการอย่างไดจะไม่อยากอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมผมเสออึกใจตกใจตันใจพูดไม่ออกและแล้วก็เลยร้องไห้ออกมาคุณหลวงจ้องดูตาผมขเขมงถ้าคุณหลวงเมตตาผมก็ปล่อยให้ผมหนีไปผมพูดออกไปแต่คุณหลวงไม่พูดอะไรคงจ้องมองตาผมอย่างเอาความจริงถ้าคุณหลวงไม่เมตตาก็จับผมส่งตำรวจเถอะครับผมโ /pro/ งออกไปตัดสินใจเปิดความลับเพราะทนปิดไปไม่ไหว ผมฆ่าคนตายครับคุณหลวงทองคําแกพูดอะไรอะ่ะผมฆ่าเขาตายครับฆ่าใครเมื่อถูกถามดังนั้นไหนๆก็สารภาพแล้วก็เลยเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบพอจบเรื่องคุณนายก็โผล่มาหัวเราะเบาๆฉนึกแล้วไม่มีผิดคุณนายพูดผมเลยรู้ว่าคุณนายแอบฟังความอยู่ผมก็เลยก้มหน้าทองคําคุณหลวงเรียกผมสะดุ้งทั้งตัวท่านพูดต่อไปบอกว่าแกเพ้อละ ผมเงยหน้าขึ้นมองท่านและคุณนายโดยไม่รู้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรแกถูกผีหลอกน่ะสิท้องคําคุณนายพูดชายคนที่แกบอกลักษณะคนนั้นก็คืออาของฉันและตายไปแล้วเมื่อสองปีและผู้หญิงคนนั้นก็ตายไปก่อนคุณอาของฉันจะตายเธอชื่อดําเพยอะไรนะครับเธอยังอยู่กับผมเดี๋ยวนี้อยู่ในห้องผมใส่กุญแจไว้คุณนายหัวเราะก๊าวคุณหลวงพลอยยิ้มไปด้วย เริ่มเผยให้ตายในห้องใต้ดินจริงๆทองคำคุณอาขังไว้และได้เอาศพขึ้นไปเผาแล้วสักสองปีกว่าเธออยู่ครับคุณนายแกอย่าบ้าไปเลยทองคำเริ่มเผยของแกน่ะมีายที่แสกหน้าผาดใช่ไหมโอ้ใช่ครับผมตอบอย่างตกใจอ่ะเราไปดูกันคุณนายพูดแล้วจูงมือคุณหลวงผมก็ลุกตามลงมาด้วยลงมาจากตึกพบลุงผัวของป้าแม่ครัวยืนอยู่แถวนั้นคุณนายบอกให้เอาไฟฉายไปด้วย ผมมาไขกุญแจห้องของผมอย่างงงๆพอเปิดแล้วก็ไม่พบราเพยไปดูที่ใต้เตียงก็ไม่มีห้องน้ําก็ไม่มีผมจึงพุนพลันไปที่ห้องเก็บของกุญแจก็ใส่อยู่ผมงง ง, งนันเสียงคุณหลวงหัวเราะผมยังสงสัยและใจหายอย่างไรพีก่กนราเพยไปไหนหัวใจผมหวามเธอคือเมียของผมแต่คุณหลวงบอกว่าราเพยเป็นผีคุณนายก็ยังยืนยันบอกว่าราเพยเป็นผีผมใจหายสะท้อน เมียผมแท้ๆทั้งกอดทั้งจูบเนื้อหนังธรรมดามนุษย์ที่แท้จริงไขกุญแจดูให้ทั่วคุณนายบงการผมจึงล้วงพวงกุญแจในกระเป๋าไขาประตูพอเข้าไปไฟสว่างอยู่ไม่มีรำเพออยู่ในนั้นผมใจหายทุกๆอย่างในห้องอยู่ตามปกติช่องทางลงไปใต้ดินก็มีรังใบใหญ่ทับอยู่ดังเดิมผมแทบจะร้องไห้เธอไม่อยู่แน่นอนถ้าเธอหนีลงไปใต้ดินใครละ่ะเป็นคนเปิดช่องและเลื่อนรังใบใหญ่ทับไวเหมือนเดิม ผมใส่หน้าอย่างเลื่อนลอยเมื่อผมออกจากห้องไปหาคุณหลวงเธอยังยืนแอ บ, บมุมห้องโบกมือให้ผมอยู่ชัดๆเธอจะแซงหรือเล็ดลอดออกไปข้างนอกก็ไม่ได้แน่นอนฉันบอกแกแล้วไม่เชื่อทองคาคุณหลวงพูดแต่ว่าคุณนายนั้นชักเลี่ยวหน้าไปมาคล้ายกับจะเกิดวันๆขึ้นมาไปกันเถอะค่ะคุณคุณนายฉูดมือคุณหลวงนี่ทองคาฉันอยากให้แกไปนอนห้องอื่นก่อนไปนอนกับเจ้าโฉมคืนหนึง่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดแจงยายห้องไปอยู่ด้านนู้นอ่ะลุงอ่อนอยู่กับทองคาก่อนละกันคุณนายพูดแล้วก็จูงคุณหลวงกลับขึ้นไปบนตึกชั้นใจไม่ดีซะแล้วคุณไม่เป็นไรฉันอยู่นี่อย่ากลัวไปเลยเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเขายุ่งกับทองคาคุณหลวงปลอบคุณนายผมฟังแล้วใจหายแต่ไม่ใช่กลัวใจหายว่าดําเพยของผมละลายเป็นอากาศไปแล้วผมปราศจากเธอแล้วเหรอจะเป็นผีไม่เป็นผีผมก็ห่วงเธอผมรักเธออย่างจับใจ สงสารเธอและคิดถึงเธอคุณหลวงกับคุณนายขึ้นไปบนตึกแล้วลุงอ่อนก็ยังคงอยู่กับผมที่ห้องแกไม่รู้เรื่องอะไรของผมเหมือนกับคุณหลวงและคุณนายดูแกมีหน้าตาสงสัยกับเหตุการณ์ที่ไม่รู้ที่มาของมันผมยังไม่ทราบอะไรเลยครับคุณทองคำลุงอ่อนตั้งปัญหาถามผมอยู่ๆคุณนายก็ให้ผมเอาไฟฉายมาด้วยแล้วก็ค้นห้องคุณสงสัยว่าคุณทองคาจะไปเอาอะไรมาซุกซ่อนที่ห้องกระนั้นเหรอครับ ผมโดนตั้งคำถามแบบนี้เข้าถึงกับอึกอักแกก็สงสัยว่าผมถูกหาว่ายักยอกของคุณหลวงซะเป็นแน่แต่ความจริงก็น่าจะเป็นไปดังนั้นเพราะอยู่ๆเกิดมาขนห้องขนเตียงมไม่มีอะไรหรอกลุงฉันคิดว่าฉันเห็นอะไรสักอย่างในห้องนี้ฉันก็เลยไปเรียนคุณหลวงก็เลยเกิดสงสัยกันขึ้นก็เลยได้มาดูกันผมแก้ออกไปทางนั้นจะได้ไม่ต้องพูดถึงมันอีกเห็นอะไรอ่ะครับแกถามแบบงงงนัน แกเห็นผมอึกอักไม่ยอมตอบคำถามแกกลับมีสีหน้าตื่นคล้ายกับเกิดมีความกลัวผมรู้ละในตาแกเหลือกโพลงคนก่อนอยู่ในห้องนี้ก็เห็นอะไรอะไรก็เลยลาออกไปใครอยู่ในห้องนี้อย่าลุงผมถามเสียงหนักๆด้วยใจหวนคิดว่าใครเล่ามาอยู่ก่อนแล้วดําเเพยของผมได้ไปสนิทกับเขาหรือเปล่าความหึงหวงเกิดวูบขึ้นในบัดดลผู้หญิงสองคนแกพูดพอได้ยินคําว่า ผู้ที่อยู่ก่อนคือผู้หญิงผมก็เกิดโล่งอกคุณหลวงให้ไปนอนห้องเจ้าโฉมก่อนควรจัดที่หลับที่นอนไปกันเถอะผมจะช่วยลุงอ่อนเตือนด้วยสีหน้าหนักใจผมรู้ว่าแกหมายถึงอะไรคงมีคนกลัวห้องนี้อยู่ทั้งบ้านห้องที่จะต้องเห็นรําเพยแล้วก็ตาแก่นั้นมีหน้าล่ะลูกๆของคุณหลวงรวมทั้งคนอื่นจึงไม่มาย่างกรายที่ห้องของผมทั้งยามค่ําคืนและตอนกลางวันอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เอง ที่ห้องผมจึงไม่มีใครยุ่มย่ามการที่คุณหลวงจะให้ผมไปอยู่ห้องอื่นผมใจหายผมไม่กล้าจากห้องที่ผมเคยกอดรัดกับรำเพยและนอนด้วยกันกินด้วยกันผมจะทิ้งเธอไปใจผมก็แห้งและวังเวงเธอคนเดียวที่อบอุ่นใจและเธอก็เป็นคนแรกที่ให้ความรักและความสุขกับผมผมถอนใจและตอบลุงอ่อนว่าอย่าเลยลุงผมขอขอบคุณลุงนักอย่ายุ่งยากเลยผมจะอยู่นอนอย่างเก่าผมพูดเสียงอ่อยๆฮะ ก็คุณหลวงท่านบงการแกตาเหลือกพูดไม่เป็นไรครับลุงพรุ่งนี้ผมจะบอกกับท่านเองผมพูดแล้วก็จูงมือแกรเดินไปส่งที่ท้ายครัวทางโน้นซึ่งเป็นห้องพักของแกกับป้าแม่ครัวและแกก็นั่งทําอะไรง่วนอยู่ไม่อยู่คุยกันก่อนละคะไปแยมแม่ครัวถามวันหลังเถอะครับป้าขออาบน้ําสักทีหนึ่งผมพูดแล้วก็รีบลากลับพอถึงห้องประตูยังคงเปิดอยู่ไฟสว่างผมเดินเข้าห้องอย่างระโห่วยโรยแรง ผมขาดราเพยซะแล้วหรือเนี่ยเธอลืมผมหรือเธอไม่กลับมาหาผมทั้งที่ยังรักเธอคิดถึงเธอแทบจะสิ้นใจผมยืนเอามือเท้าโตอาหารและคอตกก้มดูโตนิ่งๆไม่รู้จะคิดอย่างไรทำอย่างไรได้ยินเสียงประตูห้องที่ผมผ่านเข้ามาและยังเปิดทิ้งไว้ถูกงับปิดเข้ามาผมคิดว่าลมพัดปิดก็ยังคงยืนก้มหน้าเฉยๆแต่ว่าบัตรนั้นได้ยินเสียงใสกรอนดังแชะผมสะดุ้งหันไปผมตกใจ คนที่ปิดประตูคือํำเพยผมเซติดโตะ๊ะคุณกลัวฉันเหรอเธอถามและยืนนิ่งอยู่กับที่ความจริงผมกลัวเพียงวูบแรกแต่แล้วกลับดีใจที่ํำเพยยังไม่ไปไหนฉันคิดถึงํำเพยฉันไม่มีํำเพยไม่ได้ในชีวิตนี้ผมตอบแบบละล่ำละลักํำเพยก็ขาดคุณไม่ได้คิดถึงที่สุดฉันไปไหนไม่ได้ฉันเป็นของคุณเธอพูดอย่างระหวยโรแรงพร้อมกับร้องไห้แล้วโผเข้าหาผมผมคว้าแขนของเธอ แล้วกอดอย่างสะใจยอดชีวิตของฉันฉันจะตายอยู่แล้วถ้าไม่มีเธอผมพูดอย่างสุขใจคุณไม่กลัวฉันหรอคะเพราะรู้แล้วว่าฉันเป็นผีรำเพยกอดผมและกระซิบบอกผมที่อกผมกลัวแต่ฉันรักมากกว่ากลัวผมพูดรำเพยกอดผมแน่นแล้วก็ร้องไห้อยู่ที่อกผมฉันไม่คิดว่าฉันจะได้พบกับคุณบนโลกนี้แต่แล้วฉันก็ได้พบแต่ฉันก็สงสารคุณที่ต้องมารักแล้วก็เป็นห่วงผีไม่มีญาติแบบฉัน เย่ห่วงเลยยอดรักขอให้ฉันกอดยอดรักอย่างนี้ไปจนตายเถอะผมปลอบเธอรำเพยเงยหน้าขึ้นจูบผมอย่างไม่อยากเลิกสุดที่รักของเมียเธอพูดเมียจะําคุณไปทุกแห่งผมสุขใจอะไรเช่นนั้นจูบตอบเธอแล้วชวนกันไปอาบน้าเมื่ออาบน้ำแล้วผมนึกได้ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยผมบอกกับราเพยว่าผมจะออกไปซื้ออาหารการกินขอให้ราเพยคอยก่อนราเพยหัวเราะแล้วก็จูบผมพร้อมกระซิบว่า เมื่อคุณรู้แล้วว่าฉันคือใครฉันจะไปซื้อให้คุณเองเร็วดีคุณรอไม่กี่อืดใจก็มาถึงพอขาดคำเธอหายวับไปกับตาผมยืนมองนิ่งนึกกลัวนิดหน่อยแม้จะรักเท่าใดอากับกิริยาที่เห็นนั้นย่อมน่ากลัวแก่คนทั่วไปความเงียบได้เป็นไปอยู่ครู่หนึ่งบัดเดียวใจรำเผยก็ยืนอยู่ที่ประตูทั้งทา ง, งที่ปิดอยู่ร่างกายของเธอแทรกเข้ามาได้อย่างรังๆแล้วก็ชัดขึ้นเป็นธรรมดา ในมือมีห่อหลายห่อเราแกะห่อออกดูมีข้าวเหนียวหมูแดงบ้างเป็ดไก่บ้างผมไม่สงสัยและถามว่าเอามาได้อย่างไรเพราะรู้จักอำนาจของเธอดีคืนนั้นผมนอนอยู่กับรำเพยอย่างผาสุกเช้าขึ้นมาผมงับประตูห้องไว้โดยเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าไม่มีใครกล้ากล้ไกลายห้องผมเราจะไม่หลบซ่อนกันอีกใครจะเห็นราเพยไม่ได้แน่แ่ผมขึ้นไปรับใช้คุณหลวงด้วยความเบิกบานคุณหลวงกับคุณนายมองดูผมอย่างประหลาดใจทองคา เธอยังนอนอยู่ที่ห้องเก่าเหรอคุณนายถามและจ้องดูผมครับผมที่เก่าสบายมากแต่เดิมกระผมก็เลยทิ้งไม่ได้ผมตอบคุณหลวงก็ผงกหัวงึกๆกแล้วก็หยิบเนยทาขนมปังฉันชมแกแฮะแกะกล้ามากใครมาอยู่ห้องนั้นเนี่ยโดนหมดคุณหลวงพูดแล้วก็มองดูผมก็ไม่กล้าหรอกครับแต่อาศัยว่าเคยอยู่อย่างสบายก็ไม่อยากย้ายผมตอบตามใจเถอะที่ให้ย้ายเนี่ยเพราะเห็นใจเป็นฉันก็เพนแล้วละ่ะ คุณนายพูดพร้อมกับทําตัวสัน่นวันที่พูดกันนั้นเป็นวันอาทิตย์คุณหลวงจึงว่าวันนี้จะเข้าไปดูตึกโน้นเพราะว่าเป็นตึกของเราแล้วก็มีสิทธิ์ไปดูแ ล, แลและจัดแจงได้พอรับประทานอาหารเสร็จแล้วคุณหลวงกับคุณนายก็ชวนผมลงข้างล่างเรียกลุงอ่อนด้วยคนเราเดินอ้อมไปที่ประตูบ้านโน้นโดยฝากจ้างเจ๊กแก่แกเฝ้าประตูไว้เราลองไขประตูดูเมื่อไขได้ก็เข้าไปบริเวณตึกที่ปิดเงียบผมมองดูแต่ห้องชั้นล่างที่ติดกับห้องผมไม่ได้ขาด คุณหลวงดูจะรู้ใจผมรีบเดินมาถึงห้องนั้นและบงการให้ลุงอ่อนไขกุญแจพอเปิดประตูออกแสงสว่างผ่านเข้าไปห้องนั้นก็สว่างทั่วไม่มีศพอย่างที่ผมคาดไว้แต่เดิมมีพื้นที่ว่างๆและฝุ่นจับนาประตูช่องทางลงใต้ดินคงปิดอยู่และใส่กุญแจด้วยคุณหลวงชี้ให้ผมดูทั่วๆไปแล้วก็ยิ้มซึ่งคุณหลวงกับผมรู้ใจกันอยู่ผมก็เชื่อสนิทแล้วที่ผมเห็นและผมฆ่าเขาตายนั้นไม่มีอะไรจริง ผมถูกหลอกหลอนอย่างหนักไม่มีใครถูกหลอกเหมือนผมเลยเราจะรื้อห้องนี้ด้วยนะทองคำจะถมทางใต้ดินซะแล้วก็จะเทลาดปูนเรียบเอาไว้ก็ดูกว้างขวางดีบริเวณอยู่เราจะเปิดถึงกันแล้วก็พังกำแพงนี้ให้หมดคุณหลวงพูดไปตาก็มองโน่นมองนี่กะการจะซ่อมสร้างที่ใหม่เราไม่ได้ดูห้องอื่นๆหรือบนตึกอีกก็พากันเดินกลับที่ประตูเดิมข้างถนนแล้วก็กลับเข้าบ้านเรา เมื่อคุณหลวงจะขึ้นตึกก็หันมาดูผมแล้วก็พูดว่าสบายและสินะครับผมตอบแล้วผมก็เข้าห้องผมตามเคยเห็นข้าวปลาที่แม่ครัววางไว้แล้วที่โต๊ะแม่ครัวแกไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับห้องนี้แกก็เลยกล้าเข้าห้องได้ผมเลียวหาริ่มเผยก็เห็นเธอออกมาจากห้องนอนเราก็เลยรับประทานข้าวพร้อมกัน เมื่อผมรู้แล้วว่าเธอคือใครก็ไม่อยากจะสังเกตการกินเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าเธอจะกินอะไรได้อย่างไรนอกจากดมๆอย่างที่เขาเส้นกันทั่วๆไปไม่เห็นอาหารแหว่งแม้ผมจะมองเห็นอาหารแหว่งไปแต่ก็รู้อยู่ว่าความจริงไม่หมดเปลืองไปไหนผมได้เกิดมีความอันเป็นไปในทางร้ายขึ้นอีกครั้งอย่างหนักเมื่อเกิดรื้อห้องและปรับที่ใหม่ผมไปอยู่อีกทางห้องด้านนึง เป็นห้องของหลานสาวคุณนายที่มีสามีไปแล้วห้องนั้นปิดไว้ความสบายก็เท่าๆกับห้องเก่ามีห้องน้ําห้องส้วมเรียบร้อยแล้วก็ผู้ร่วมห้องของผมก็คือดําเวยในคืนหนึ่งผมกําลังหลับตกใจตื่นเมื่อรู้สึกว่าดําเพยกอดผมแน่นแล้วก็ร้องไห้ผมกระซิบถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอยังไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ผมต้องประคองเธอนั่งและปลอบใจเมียจะต้องจากไปแล้วเธอสะอื้นตอบฮะผมรีบสวนคําออกไป ริมเผยถูกบังคับให้ไปใครกันน่ะผู้ยิ่งใหญ่ของริ่มเผยให้ริ่มเผยไปสู่กรรมตามที่มีเก่าและจะกลับมาได้อีกเมื่อถึงกำหนดต้องเวียนไปเวียนมาอยู่ดังนี้ใครอ่ะมันวิเศษยังไงผมพูดอย่างอารมณ์ร้อนให้มันมาพบกับผมสิใครมันจะดีแค่ไหนไอ้แก่นั่นเหรอไม่ใช่ค่ะเชื่อเมียเถอะเมียเวียนไปใช้กรรมอย่างนี้มาสองหนแล้วหมดกาหนดก็มาได้ คุณอย่าขัดขวางเลยไม่มีมนุษย์คนใดจะขัดขวางพระยายมได้หรอกเธอร้องผมสะดุ้งใจรู้สึกว่าจริงอย่างที่เธอพูดถ้าเป็นผู้นั้นก็ขัดไม่ได้ผมแทบจะร้องไห้ผลาดท่านอีกไม่ได้หรอผมถามหมดกําหนดแล้วคะ่ะเชื่อเมียเถอะเมีย เ, เป็นของคุณตลอดชาติเมียต้องเวียนมาอีกคุณไปไหนเมียก็จะตามไปเงียบๆตลอดโลกสงสารเมียนึกถึงเมียด้วยนะคะเธอร้องไห้อีก ผมกำลังใจกระวนกระวายเลยร้องไห้ด้วยกันทั้งสองคนผมพร่ำร้องเรียกแต่ลำเพยเรียกแล้วเรียกเล่ากอดเธอไว้อย่างแน่นร้องไห้ไปจนหมดแรงหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้และผมจะหลับนานเท่าไหร่ก็สุดจะรู้มีความรู้สึกตัวว่ามีคนอยู่ข้างตัวผมเมื่อสติคืนที่แล้วไปแย้มลุงอ่อนก็ได้บอกผมว่าเจ็บหนะักเพอเรียกชื่อใครก็ไม่รู้ลำเพยลำเพย คุณหลวงก็เลยเอาหมอมารักษาวางยาสลบให้ผมสลบไปเพื่อลืมความหลังที่ฝังอยู่ในสมองผมจําชื่อรําเพยได้อย่างรังๆผมไม่ลืมไม่ลืมรําเพยการรักษาพยาบาลได้เป็นไปหลายวันผมกลับมีแรงขึ้นและสมองค่อยๆหายเคร่งเครียดจํารําเพยได้เพียงรังๆแต่ไม่ลืมไปได้ทีเดียวอย่างที่ทุกคนต้องการให้ผมลืมพอผมมีเรี่ยวแรงดีขึ้นคล้าสจะเป็นปกติ ผมเงียบเฉยไม่พูดถึงรำเพออีกเลยไม่ต้องการให้ใครหนักใจและระวังผมอีกและรำเพยก็หายไปนานวันแล้วผมเข้าหาคุณหลวงและคุณนายขออนุญาตลาพักชั่วคราวขอให้ผมพเนจรไปตามบ้านเพื่อนฝูงสักพักต่อเมื่อผมปกติแล้วผมจะกลับมารับใช้ท่านอีกเพราะว่าถ้าขืนยังอยู่ในที่เดิมอดคิดอดนึกไม่ได้ด้วยว่าทุกเวลาจะเห็นสถานที่เก่าก็ยากจะดับความคิดลงได้ คุณหลวงคุณนายน่าเสียทั้งคู่มีดวงตาบอกชัดทั้งเสียดายและอาลัยผมอีกทั้งสงสารในโชคชะตาผมได้ร่ำลาทุกคนในบ้านด้วยความอาลัยรักและเขาทุกคนก็อาลัยผมแต่ก็เห็นใจผมผมลาเรียบร้อยแล้วก็หันดูห้องของผมที่ถูกรือ้อแล้วก็ปราบเป็นพื้นเรียบรู้สึกใจหายวูบก้าวผลประตูกำแพงก็ใจหายอีกคิดถึงทุกคนคิดถึงผู้มีพระคุณทั้งสองและใครๆที่ดีแก่ผมทั้งหมด ผมกลับมาหาเพื่อนและเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้ฟังเขาตกใจและเสียใจแทนผมเพื่อนคนนี้ผมได้พึ่งพิงเขาแต่รายมาจะไปไหนร้อยหัวเมืองก็ต้องกลับมาหาเขาในที่สุดผมบอกกับเขาว่าขอฝากของไว้ก่อนตัวเองยังกลุ้มใจอยู่เป็นที่ยังไม่ได้ขอเที่ยวหัวเมืองสักพักพอสบายใจจะกลับมาพึ่งใบบุญอีกผมดิ่งมานาคนปรปฐมค้างโรงแรมที่นั่นคืนหนึง่งผมขึ้นไปเดินรอบองค์พระประถมเจดี การอยู่โดยลําพังของผมเป็นที่ต้องการของผมรุ่งขึ้นผมก็ร่อนไปกาญจนบุรีเงินทองของผมพอจะมีอยู่มากทํางานได้และเจ้านายเก่าๆให้ผมไว้ด้วยเมตตาผมไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่นักผมจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ใหม่พอจะจางๆความหลังลงไปได้บ้างแต่ในขณะที่ผมนั่งรับประทานอาหารที่ร้านเจ๊กในตลาดกาญจนบุรี เกิดมีลมพัดวูบหนึ่งหนักๆและมีสิ่งสะเทือนใจความรู้สึกขึ้นอย่างประหลาดเหมือนมีคนกระซิบข้างหูและเสียงร้องไห้เสียงนั้นผมจำได้ราเพยราเพยแน่ๆกลับเถอะคุณอย่ามาเร่ร่อนอยู่เลยฉันกลับไปที่บ้านเก่ารู้ว่าคุณจากมาซะแล้วฉันร้องไห้และร้องดังไปหน่อย ยาแม่ครัวแกได้ยินเสียงฉันแกก็เลยกลัวร้องโวยวายฉันเลยออกมาจากบ้านนั้นเที่ยวตามหาคุณฉันลาเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเชื่อเมียเถอะกลับไปอยู่เป็นที่ซะจะได้เกิดความสุขยอดรักของเมียเมียลาก่อนเมียจะหาโอกาสติดตามไปทุกแห่งถ้าลาเขาได้เมียจะคุ้มภัยให้คุณทุกทุกแห่งลาก่อนที่รักสุดหัวใจของเมียเสียงนั้นเงียบไป จะว่าเป็นเสียงพูดก็ไม่ใช่ตามความรู้สึกด้วยว่ามีความรู้สึกเองดวงจิตนั้นเป็นผู้ทราบเป็นผู้รู้ความที่มาทุกคำผมนั่งงงงันอยู่สักครู่พอจ่ายค่าอาหารเจ๊กแล้วผมตัดสินใจกลับรถเม์มาบ้านโป่งพอดีรถเย็นจากทางใต้ผ่านกลับกรุงเทพผมก็เลยกลับรถขบวนนั้นตัดสินใจกลับไปอยู่กับคุณหลวงอีก การพเนจอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นในที่สุดผมก็กลับมาอยู่กับคุณหลวงอีกทั้งคุณหลวงและคุณนายก็ดีใจคนทั้งหมดก็ดีใจผมเล่าถึงการเดินทางพเนจอนร่อนเร่ของผมให้เขาฟังก็ต่างพากันหัวเราะที่ผมทำตัวของผมเหมือนไม่มีสติแต่การแววของเสียงรำเพยผมไม่พูดให้ฟังเลยต่อมาผมได้ไปหาต้นยี่โถเหลืองมาปลูกไว้หน้าห้องพักของผมมีดอกเหลืองสด ไม่มีใครรู้ความหมายของผมเลยมีแต่คุณหลวงเท่านั้นที่รู้ดีเพราะพวกผู้ดีเรียกยี่โถเหลืองว่าต้นรําเพยคุณหลวงยิ้มอย่างสงสารผมผมรดน้ำต้นรําเพยของผมทุกวันและนึกอยู่ในใจขอให้เราได้เกิดมาเป็นคู่กันขอให้เราได้เกิดมาเป็นคู่กับลาเพยทุกชาติไป